เราก็ไม่ได้พูไป น, นึงขนาดนะ้ตัวพุทธเจ้าก็เหมือนกันอตรงตรงไม่ได้หมายไปเจ็เจ็บปัจจัยไปทุกกระบวนการอย่างนั้นไปจากนั้นตัวพุทธเจ้าที่เที่ยวพระสยามภูสาวกนั้นไม่เที่ยสยามภูเพราะมีตัวพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางทําไมบอกแล้วรจะรู้ไม่ได้นะครับพวกสาวกพายานันเมื่อเราถามอย่างนี้ พระวารีไม่อาจจะตอบแต่แต่งรับแแต่งสู้ได้ใช่ไหครับเพราะว่าคําว่าสยามภูนั้นไม่มีฐานะกา ร, รกลมไม่มีฐานะกา ร, รกลมเป็นเองในกา ร, รกลมนะครับต้สมจันยังกา ร, รกลมใช่ไหมเรากระพริบสมจันใช่ในฐานะการบวชหรือสาวกเนี่ยอก็ยังกา ร, รกลมเพราะว่าอย่างหนึ่งหมายถึงอริยสาวกก็ได้ และก็อย่างหนึ่งหมายถึงการเป็นพุทธบริษัทกันนะอยบวชแล้วไม่บวชอะไรเสร็จก็ถือเป็นคำํคากควงบา้ครัางก็ตอบแบบกมกำกวงค่ะว่าพุทธเจ้าเป็นสาวกหรือก็บอกเจ้าเป็นสาวกเคยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้สาสักปะโดยข้อหมายเอาถึงความเป็นพุทธบริษัทแล้วมีสาสามบวชด้วยแต่เราถามในที่เนี้ยเราต้องการจะ ให้ความนถึงความหมายถึงอารย์ตาวกแต่สยามปูไม่ตำขวามเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปในเปราะนี้ว่าอากพระผู้มีพระภาคเป็นาราษยามปูก็ต้องไม่กล่าวว่าเป็นผู้ตรัสรู้ในการต่างๆแต่ต่างก็คือตามพระพุทธศาสตร์ไปเองข้อหกต่อไปหกเราถามว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้ สามัญญผลอีกสามเท่านั้นนักควงไม้โคหรือปรวารีตอบว่าไม่ใช่ถามอีกครั้งหนึ่งว่าพระผู้มีประภาอในในข้อเจ็ดก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายนะอย่าเพิ่งกันวลพระผู้มีพระภาคในสัจสนตสามมัญญผลทั้งสี่นาควงไม้โคมีใช่หรือ ปรัวาสีตอบว่าใชนะ่อันนี้ก็เรียกว่าเราถามมาเข้าจุดทางก่อนอื่นนั้นบางจีสามสี่เนี่ยเราก็กได้แล้วนะครับว่าเื่ออะไรแต่ในทีนท่นี้นเห็้เาเรียกชื่อเป็นภาษาเทคนิคชื่อหนึ่งครับสามหมายถึงโสดาปฏิมาประทันโทษสี่ก่อนสี่คือโซดาปฏิมาสี่ยาสีอย่างนะครับโดาปฏิม 4, 4าเปที่หนึ่ง สกิทาคารคเป็นที่สองอนาคาร์มัคเป็นสามอาราตมัคเป็นสี่ถ้าสามนั้นเว้นเว้นโสดาปฏิมัคเสียสามก็คือสกิธาคาอนาคาแล้วก็อาราตมัแล้วก็ภาเป็นแล <c oughs> ้วก็ <c oughs> แต่ว่าตรงนี้ดูนะครับว่าเ <c oughs> ขาใช้คาว่าสามอนผล ไม่ได้ยิงเขาสามมันนะไม่มีใครไม่เคยได้ยินผมไม่เคยฟังเก เ, เลยเราเลยดีเราเป็นษาที่ใช้ตรงอยู่ยในพืนทีน่ยนะครับบดเรียนร้อนผู้ออกว่าธรรมดาสามมันยผแปรในแงเที่อไอ้สามมันที่เราใช้สามมันลักษณะลักษณะทั่วไปในเรื่อง แต่สามมันตรงนี้แปลว่าแรลแบบรูๆกับตาีรู้คุณคือความเป็นตำนานแล้วและยังไปรู้เรื่องเลนะข้อคามนั้นหรูอีอีกแบบคุณ เร่อความเป็นทนะที่เขาแปลอย่างนี้นะครับมันหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นธรระนะเป็นที่ทำให้เป็นธรระ อะไรเป็นสิ่งที่ทำาเนธรรมะอ่าอันนี้ก็ใช่หนึครสองั้นเราต้รูธรรมะอนธรมะมีง่ายในั้นผตัวัชยนาฏไปได้จะสองชั้นชั้งหนึ่งน่ะโดยเทีย์มีชั้นหนึ่งนั้นโดยคุณโดยคุณ อาดยเขตก็หมายถึงตั้งแต่บนโหวมไม่ลึ้นึ่งไปใช่ไหมครับมันเป็ น, นเครื่องเป็นเครื่องขอกความในนั้นนะใ่ไแต่เวาคือผู้บุตรไ่ในโกโททนดัวรที่ผมก็ดถึงมุมงบาตตรงขึอุบาตอยู่ว่าไม่มีบนรร ย, ย, ยาตายิประกอบห้ที่เย่ยงเจ้าโลกเขา ในระหว่างการกระจายโรคครับนั่ น, น, น, นถือว่าเป็นผู้ไปำดำรงเอยและก็ำดำรงชีวิตอยู่อย่างสมณะผู้บวชเึน็นกำหนดอีกอย่างหนึ่งซึ่หลายครั้งทรงตัดหมายถึงเป็นสมณะโดงคุณบางคราพระรงตัดโดยไม่ได้ไม่ได้บอกบางคราพระทรงบอกเทียว่าที่เรียกว่าปิฏตหรือที่เรียกว่าสมณะ ไม่ใช่ตัดใจว่าโกนหัวรุนรุนหรือคลายผ้าราชาว่าปัจจุบั น, นแต่จะต้อง ม, มีคุณธรรมพันธี้เราไปพูดสนบบและแต่ทฤษฎีคุณธรรมข้อไหนมีหลายข้ออ่าก็คุณธรรมขอสมณะบางครั้งก็ทรงแสดงลงทีบางครั้งนั้นตรงหมายเอา มักเป็นหลักนี่ีงงืนนกว่าแสดงถึงสูงสุดคุณสควรเป็นนาจสงสุดที่ถ้าในที่นี้ส า, าในที่นี้จริแล้วว่าคุณสควรเป็นอำนาถ้าหมายถึงมากาก็ต้องหมายถึงแก่นของความเป็นพระเ อะไรเป็นแก่งกว่ากันละเรบอกว่านี่เป็นพระไปเนี้พากสูงสุดเลยนะไปใช้พระเฮ้ยอาการเกิดยากต้องวะันั้นบางแข่งยังใช่ไหวีนึงคุณเครื่องความนะคือมรคนเพราะฉะนั้นสามัญญาตันี้เนะี่ยหมายถึงมรคนเพราะว่าใครเมื่อได้ไปถากอหรือเขาถึงคุณคือมรตีประการแล้ว คนนั้นที่ว่าเป็นภรรมนัติอย่างแท้จริงอยา่างเต็มบริบูมีแก่นข อ, ของความเป็นรั้วเป็นรับแเป็นปารามัดสตัตว์นี่นั่นคือเรื่สามัญญาในที่นี้เราก็จะพ้อแค่ในนี้นะครับว่าสามัญญาหมายถึงมัตรย์หมายถึงว่าถุลงใก่อนได้เลยทีนี้เมือ่อเอาผลเข้าไป แปลผลออาไปเป็นสามัญญาผลในที่นี้มีควาว่าผลมีคำหนึ่งผลก็ ค, คือสิ่งที่เกิดจากอะไรก็ได้แหลแต่ว่าในที่นี้ก็ามาอยู่งเมื่นานเพาะสามัญญาผลจีิงหมายถึงถ้าสามัญญาระบว่าคือมะ สามัญญผลจริงต้องหมายถึง อ, อะไรนะอาเรียผลสิเท่านั้ น, น เ, าาเลยนะเราพูดอย่างานี้ใครไหนใั่ใชวใช่ใช่จะเรียกว่าปนะุทากันอันนั้นอันนี้หมายถึงพูดหรือพูดอย่างระบุอย่างน่างธรรมก็คือผลอาผลลัตติ ผลและสิ่งอย่างักไม่ที่ทำนี่ก็ระบุวออก ม, มาตามมันจะผลคือผลผลและสิ่งสีร่รายใายลงไปก็ได้ครับอันนี้มรสผลสีนส่นี่สำหรับคนที่อินเดียระดัที่นี้ใครที่อ่านหนังสืธรรมะมาเยอะๆหรือ น, นั่งสมาธิเป็นประโยอ่าสูตทั้งต้นเลยจะอาจจะเน้นแยงทำไมอจจ่นนะทาไม่รู้อาจจะพอเล่นไในข้สูงก็มีอีกสูตรนึง ชื่อว่านะไอ้ที่าี่นะนั่ก็จะเป็เงรกี nine nine ่ก้านะตูงที่สองคือที่หนึ่งกองพันละตูงที่สองคือสามมันยาผลละตูนใช่ไหมด้มามนะสามมันยาผลสูนแล้ท่านาจารย์นางขาเมื่อคนได้อธิบายนี้ว่าเนี้ยและนที่นั้นต้องแสดงสามมันยาผลลูนแป้ว่าผลทุกสูนที่กล่าวทผลของความลึกับ ด้วยความศรัทธานกท่านไล่ทันแต่เที่ยงบอกว่าขอพระเจ้าพระเจ้าจะดูพระเจ้าจะดูถามว่าที่เนี่ยพวกชาวบ้านเขาประกอบเรียนวิชาชีพกั้เขากประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้มันไ่ได้เป็นงานชีพทำไร้หร้นาอาชีพศิลปะวิทยาการต่างๆและการบวดเนี่ยศิลปะวิชาการบวดเข้ามาโมแนมมันควรจะต้องมีผลของการ มันในรายการเป็นรูปหนึ่งเหมือนกันใช่ไหส้ายอย่างนึ้ถามว่าการบวชนี่มีอะไรเป็นผลตอบแทนไม่ใช่บวชแล้โนหัวสบายไอที่ขขาคุณละล้อนะมีอะไรเึ็ขึ้นตอบแทนมีอะไรได้ดูแล้วก็ม้เป็นชีวิตชีวันแรกแก่เป็นแห่งแรกสู่ชีวิตชวบ้านได้ถ้าท่านก็เลยตอบ สสสสแสดงถึงผล ข, ของกาอยู่เกี่วับสามันชนและผลในที่นั้นเจะเห็นว่าทองแสดงโดยกล่าวว่าพระพุทธวโรมีคาดของระอบค์เ็นที่พระองค์จะทรงทำยังไงใช่ไหมก็ทำทุกอย่างหลับที่หลังเป็ก่อนไม่ใช่หลักก่อนถึงนี่หลักก็เรียกว่าจะทำอะไรก็ได้แล้วที่จะคาดเปลี่นเมื่อเขาพอปวดแล้ว มารักษาทีละาระวัตรันน่าจะาาเปน็นปฏิบัติพระองค์เห็นเข้าอนี่ยจทำอย่างไรนะครับอย่งเห็นว่าควรแกให้ให้รรประกอบระไรสาระัตใหญน้อยหรือไม่ควรจะโมยตีหรือไม่ถ้าบอกไม่ควรถ้าถูกกลับอย่าทำมันจะรีการตามนี้ีกสักแล้วก็จะผวาบำรุง ด, ด้วยเครื่องบำรุงที่ควรแก้มำนะเดิมกัรัะ แตเอกอากป็นผลการบวชในเบืองนก็เื้อผลงการบวชลากประการะใช่าประการามปัจจัยที่เป็นต้นประการนคือการรบกวนเกิดเป็นการลาหรือแมในเรืการลี้คือไหว้เเฉกี่โทนให้ไปโดนจังหัดขัางหสูงสุด คำว่าพยาพัญชนะเพราะฉะนั้นในสูตร น, นี้ตรงตแสดงสามัญญาทั้งโดยเทีที่เห็นได้ก่อนแล้วก็ตรงไรนน่พทัญชนะสามัญญาโดยคุณที่มองเหงนได้ยากแล้วก็สามัญญาลึกเท่ก็มีผลออมาอาเท นะโคโหัวก็นี่แบเกี่ว่าได้ขนแล้วแต่นะโคโรหัวเป็น่ากนะนนมันใชุ้ตรานจันมากเมเกิดบวชมานี้ก็เป็นขยะเวลาท่านได้บวชแล้วมันเจอกันหมายท่านก็เป็นยา่านก็ได้ในตัวของการบวดอย่างง่งายๆคื อ, นน อ, อ, อ, ท, อรรที่นรถเอไมเกี่ยวกันแต่เช้าก็พวกมีดบากเห็นผลที่เห็นนะครับเขาปลาเขาวา ก็จะนังสามัญญาโดยเทศและก็โดยภูมิและก็ผลผลสามัญญาเปลี่ยนหลักก็แยกเหมือนกันผลจากสามัญในระดับเทศก็คือลาภตากงานถึต้นก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยน ที่จะดูได้แต่แล้วแต่ใารจะมีเทมเราเอาง่ายแล้วไม่มีคุณเบื้องสูงเนี่ยเป็นตานี่ล้านจานว่ารืกถ้ามีมรดกทางหร่อยนะคะรับดูแลกับกรมรงงานกันนั้นแต่จะคุณวัดใจไม่เท่อว่านี้ถ้าเช็นพิศพิรานนะวิ่ง <c oughs> บวชมาเลย แต่คนทีๆมันบวชทัต้องหมดมันบวชเท่าไหร่ให้หมดไม่ เ, เหลือถ้าเป็นคุณนะามันในคนในระดับบุญก็มี ม, มัีนนะะ่เป็นสูง ส, สุดนะครับเคต้องมากับการาภนีสเราะฉนั้นตรงนี้ในปามันรอผลสูตรนั้นจึงตรงตแสดงว่าทั้งสองมนแต่อะไรที่อื่นนั้นจะกลายเป็น ท่นเรียนรู้สองอางแรกแต่ที่ท่าตโอเองเป็นเรื่องเรื่อ ง, ง, งความขึ้นอยู่ครับเพราะฉะนั้นสามัญญาผลในที่นี้นเราจึกล่าวสรุปได้ว่าผลของควา ม, าา ม, าามคือสมณะที่กลเาื่อดูตัวเลขออกมาเลยก็เป็นสามด้วสีจึงหมายถึงสามัญคือสมณะในระดับคุณและผลของคุณนั้นก็คือผลสามในระดับผลสาม เมื่อเราถามว่าพระผู้มีพระภาคตรัสลูสามันอีกสามเท่านั้นณกนะ่วงไม้โกหวงไม้โกคือโคนต้นโพแล้วก็ว่าลูกอมูลลูกอมูลเนี่ยมันก็ไม่มาอยู่โคนต้นติดโคนนะครับนี่ในวิสิติมักเรื่องตูดงวันนี้เจก็บอกเราจะอยู่ห่างๆสักวานสองวาตามเราจะต้นไม้ใหญ่นะครับเราอยู่ในปริมณฑลของต้นไม้เรียกวาอยู่ลูกอมูลไม่ใช่จะต้องไปอยู่ติดโคนหรือขุดลูอยู่ใน ในโครงไม้ต้นนั่นทีเดียวก็ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม่ถูกด้วยตีดไปขุดรูอยู่งะที่จะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ก็ไม่ได้เ <c oughs> มื่อเราถามว่าบรรลุยังไงบรรลุผลสามเท่านั้ น, น, น, นสิปาลววาทีบอกไม่ใช่คือทำไมเกงบอกไม่ใช่ บางทีเยังๆเลยเหมือนแก่แย่ว่าบรรลุมาสมัยพระพุทธกธธาลปัแต่ผลผลของมรรคโสดาบดีมรรคยังไม่ยอมเกิดเดี๋ยวปวดกลั้นมาเกิดโนต้นโพ <_: S 2> ไหนครับถ้าไม่รู้ใจครับไร้ยาไม่รู้ใจต้องมีสีจิตและอะไรเลยเกิดความตัดสน มันปใจยังความหมายของถ้อยคำที่ใช้แต่ละสูตรแต่ละแห่งด้วยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญดีผมว่าเดี๋ยวนี้ก็ประตือรือร้นอ่านหนังสือใ น, น, ค, อนค่ะจวนเวรียนวันไปบ้านกับพวกคนหนึ่งแล้วก็ไปหยิบห น, นังือเขาพิมพ์พัดหนื่งไหมอ่ะล่างแปลเหมือนกันก็อา่านแล้วเราก็แบบนี้ครับ <c oughs> เห็นเขาเขาพูดถึงเรื่องแผน่หลวงจันทรก็บอกว่าไอ้ตรวน้ํานี่ยไม่ใช่ เ, เป็นของพระพุทธเจ้าหรอก เป็นเรื่องมีมาเก่าก็ไม่ไม่ไม่ติดนะครับตรงนี้เป็นเรื่องมีมาก่อนแล้วไม่แช่พระพุทธเจ้ามาบัญญัติขึ้นมันก็เหมือนกับอันตรีกรรมสามอินทกรรมในเรื่องของเขามีมาก่อนแล้วเห็นไหมไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาตั้งธมเนียมการไหว้ขึ้นแล้วก็การอุทิศส่วนกุศลถามว่ามีมาก่อนหรือคงมีสมัยพระพุทธเจ้ามีมาก่อนเหมือนกันนะครับมีมาก่อนแต่มันไม่ใช่ทุกศาสนา มีมาก่อนเรื่องการทําทักษิณาคานเนี่ยเขามีมาก่อนแต่ว่าทําให้ดีที่สุดที่สุดมาสมบูรณ์ที่สุดมามีในสมัยกุฏิญานะฮะเนื้อนะ น, นาบุญมาเกิดในกุฏิญาณพระสง์นะครับจริงๆก็เป็นยอดของทักษิณาใช่ไหมผู้แสวงบุญที่จะอุทิศย์ให้กับผู้ตายอันนี้มีมีมมทีนี้ก็บอกว่าโอ้พวกพวกแตการทําบุญอุทิศ ให้แกพวกวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้รกเพาะว่าวิญญาณมันอยู่ตามกรรมยกกุตโฟนหนึ่งกรรมมาลา่อยแล้วก็บอกว่าทําไมถึงไม่ได้ต้องวิญญาณนั่นเป็นอนัตตาตรงตาเลยแหลยวิญญาณนังอนัตตาแทนกุตโฟจึงไม่ได้หรอกอทนมันไม่มีมันก็มาเนอนัตตาเนี่ยแล้วก็อนัตตาแบบไม่มีตัวตน ยังไม่มีตัวตนคือมีแต่วิญญาณไม่มีรูปร่างอ่าแลนะ้วเราก็นึกเอาแลนะ้วแล้วคนพูดนะ่ะอ่า น, อนตาหราืออ่านหน้าตาเราอยอาตาหน้าตาอ่านหนตาทั้งหมดเลยไหมครับรู้ว่าหน้าตาไม่ใชวิญญาณนะเนี่รู้ปังรา่าหน้าตาแต่ต้องกีนข้าวไหมตรองดื่มน้ำไม่ต้องลุกผ้าเสื้อผ้าไม่เหมือนกันนี่แก่ไปเขาขอาความวิญญาณมาใช้นี้แกก็ยังเรียกว่าประานเยอะเหมือนกันรู้แล้วตาทางานเยอะ แต่ก็แบบคนไม่ได้เรียนหลักละไม่ไดเรียนลัมม่าอังกัมมะก็ความแหลมคมไม่เกิดแกก็วิญญาณที่ามาใช้แกจะหมายถึงโอปะปะติกะแต่ใช้โอปปติกะเออไปอย่างโอปปะติกะนี่เป็นกาเนิดหนึ่งแต่วิญญาณนี่เราก็มีวิยญาณแกจะหมายถึงขีก็พูดไปอย่างต่อเป็นเรื่องเขาถ้อยทคำเ น, น, นี่ยนี้ก็เป็นจุดที่ต้องแตกนะครับ เมื่อข้อปกคราถามอย่างนั้นแล้วพระวารีตอบเจ๊งเราถามข้อที่เจ๊งว่าพระผู้มีพระได้แต่สรุปสามมายาผลทั้งสนะี่ณขวงไม้โอมิใช่หรือเขาตอบว่าใช่ตัวนี้ก็กูนะครับผลสี่แล้วก็มรคสี่ด้วยใช่ไหมครับเมื่อตอบว่าผลสีน่นี้แปลว่ามรคหรือโสดาปบติมรคเนี่ยต้องได้ในชาตนี้ด้วยครับมันบังคับเลยใช่ไหมตามหลักอาการโก าการโกรดีแก่ว่ า, าการโกรคือมักเมื่อเกิดแล้วดับไปโดยไม่มีระหว่างขังน้นให่งตอื่นผลลัพธ์ย่อมเกิดขับกันเลยติดเลยจะไปรอข้ามชาติไม่ได้นะขนาดจิตเดียวยังไม่ยอมนั่นก็เท่ากับปฏิเสธตัวเองนะครับเนี่ปใส่ใสจความเข้าใจตัวเองไปนี้ได้อย่างชัดชัดเดียวยังไม่พอนะครับข้อที่แปดก้าวติด ยังยกเหตุผลอื่นมาแสดงอีกครับขอเมื่อกี้ในยกเหตุผลในเรื่องเกี่ยวเกี่ยวกับวิธีจิตหราะพ่อแกถามว่าพระโพธิสัตว์ได้กระทำทุกขะกริยาหรือพระวาทีตอบว่าชาทุกขะกริยาแปลว่าความประพฤตททิลำบากนะความประพฤตททิลำบากทุกขะในแปลว่าลบาบากหรือแปลว่ายาก ความจริงในใ น, ในมหาทีานาลสูตรเองเขาแบ่งทุกขเนี่ยอย่างเราเอางเราเข้าใจก็เป็นหมายรูกย่อว่าอะไรที่ตรงประพฤติตั้งแต่ตรงออกจากสนักของอาราลาบุตรกาตาบุมาแล้วแล้วตรงมาประพฤติทรมาตัวเองเป็นเวล า, ญญานานเป็นทุกขเริยกริยาหมดจริงไม่ใช่ทุกขเรียกทุกกเริยานั้นยังแบ่งเป็นหลายอย่างและทุกขเ ร, ริยาเป็นอย่างหนึ่งซึ่งมีอยู่ใน อ่ามหาหสีหานาคสุขึ่งในนี้ว่าเราที่เราพูดกันทั่วไปก็หมายถึงความรับพิรำบากทรมาณตัวทั้งหมดหรือสายอันตรกรรมฐานุโยกเีก้าวัตุกรลป์ิี่อ่าแต่ในนี้ก็ไม่ถึงกับจะแจงเป็รายละเอียดนะครับเหมือนอย่างไในสุขที่ผมกล่าวประภันสรเมแกนหรือจะอใช้เป็นสองกรณีก็ไม่รู้นะครับว่าบางการณีใช้แทนอันตรกรรมฐานุโยก มักนกรณีอาจจะใช้แยกต่างหากตอนในนั้นเนี้พวกอาหารระดุบที่พวกเราพืชเศ้าหวองแต่เราพืชเศ้าหวอนี่ไ ม, ไม่ไม่ได้ทร ม, มานนะครับเพียงแต่ว่าไม่อาบน้ำํำท่าตัาเกล้าแทนที่จะนอนเหมือนกันแต่ว่าแทนที่จะนอนตามบุติรีหานก็ไปนอนในป่าชา้าแทนที่จะหนุนหมอนก็หนุนกระดูกศีรษบในป่าชาหรือตัด เกี่ยวกับเรื่องการกินการปิดแทนที่จะใช้ช้อนตากกินใช้มือให้ใช้ปากกินแทนที่จะใช้การไส่เทลงบนพื้นแล้วก็เอาปากกินมันก็จะินเหมือนกันแต่ว่าทําอย่างปอนปอนเขาก็มีชื่อเรียกเป็นรูเขวัตแปลว่าวัดเต้าหมองทีนี้บางทีก็เป็นรูประมานเช่นยืนขาเดียวกลั้นลงไายใจอย่างนี้ทุกกะเตีย ต้องการจยุดสร้างความเจ็บปวดอย่างจงใจหรือการอดอาหารและการอดอาหารก็ทำลำบากที่แบคือคือทวิจารณ์ตรงเอาปฏิปทาที่เป็นสีลัพตปรตาปรมากที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมาทดลองเป็นอย่างอย่างหมดเลยตอนนั้นคุยในที่นั้นการศึกษานิยมหลอมัเป็นลูกศิษย์ของฝ่ายอาแต่เดมันถามโยกนีว่า ท่านไม่เคยเห็นสมณะใดในโลกอดีตปัจจุบันว่าจะประพฤติวัดเหล่านี้ได้ยิ่งกว่าพระปกที่จะพึทธมาแฮ้ท่านคุยอย่นี้พพวกนี้ต้องเลิคุยเด่งนี้ถงจะหยอและวบรรเล่าประสบการณ์ให้ฟังคุณนี้ไม่กล้าไม่กล้าโมโมแล้วระตูงไม่ไดก็เลยแพ้ทีนี้ปัญหาว่า อ่าที่เขาถามเนี่ยวะพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขริยาหรือปรักวารต่อประชัยถูกไหมถูกไหมพระพุทธเจ้าทรมาตัวเองถูกไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่จะพูดค่ะคือผมถามว่าพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ที่สแสวงหาความสัตยรู้จะต้องประพฤติทุกขริยาเหมือนกันหมดทุกองค์หรือไ ม, ม่ไม่ครับ แต่พระโพธิสัตว์ของเราหรือพระบุติกาของเราเพื่อตอนยังเป็นโพธิสัตว์ต้องประพฤติภุกกรักกิเลสนี่ในพุทธวงศ์เราก็ไม่เคยเจอใครเลยนะครับที่จะต้องมารับเราะรับการมถึง ข, ขนาดนี้ต้องลรมานตัวเองอย่างสาหัสอากาวรู้วเวรรู้เวลานู้เวรนะก็วเวก็เป็นเรื่องธมะแต่ตัวท่านเนี่ย ท่นานเาเป็นเรื่องกรรมที่ท่านไปดูถูกแต่ว่าดูถูกเนี่ยมันน่าจะเป็นกรรมอย่างหนึ่งแล้วก็กรรมอื่นๆที่เป็นคล้ายๆเป็นผลกรรมเนยเป็นพลกรรมไม่ใช่จากรรมมันก็ไม่ไม่ใช่ละครไม่ใช่หรอกก็ไม่ใช่จริงในประเไทยถ้าเอยากจะตัดสัตว์เนี่ยนะก็อยากจะตัดสะตว์อย่างเร็วเนี่ยแล้วก็จะพยายามาแต่ด้วยอำนาจของ เวลาด้วยก็ทําให้ท่านเดินผิดทางไ ป, ปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเราเป็อย่างนี้เราถามเขาเนี่ยเพื่ออะไรครับปถางเพื่อเขาตอบยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ก่อนแล้วเมื่อตอบยอมรับตรงนี้แล้วจะได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงที่ฝ่ายพระราวาทีเข้าใจจิตต่อไปนะครับในข้อการ ว่าบุคคลพูดถึงเรื่องด้วยทัศนะมาเจนเขามาทัศนะอีกแล้ว น, นะครับทัศนะตรงนี้ที่แปลว่าความเห็นเนีย่ยท่านจินก็มีใช้เลยลอยอย่างนี้เป็นหลายที่หลายที่นะครับแล้วก็จะมีความหมายที่บางทีมันอาจจกยกละ ก, กันในแต่ละแห่งแต่สําหรับตรงนี้หมายถึงไป ไ, ไรท่านช่างลองด่าดดิทัศนะ ที่เราแพ้เราบาทีเราตอบเขาว่ามัศลักพัสนะมัชใช่พัสนะมัชพัสนะมัชคือโสดาปฏิมาหมายความว่าเราถามถึงข้อเท็จจริงตรงนี้ว่าบุคคลคือใครก็ได้ที่ถึงพร้อมคือบรรลุแร้วถึงแล้วซึ่งทัสนะมัชคือโสดาปฏิมาควรหรือไม่เป็นไปได้ไหมที่คนอย่างนี้จะเป็นคู่ไปถือศีลพระพุท สี่น้าตประมาสเนี่ยในประโยชน์ต่ำเป็นไปได้นะที่ว่าเป็นโสดาบันแล้วแต่ยังไปถือโทษิเป็นกันไม่ได้ทุกริยานั้นจะถือว่าเป็นข้ออย่างหนึ่งที่คนลองยังไม่ได้บรรลุแล้วอดอาจจะเผือไพไปคน ล, ลองทําได้ถ้าบรรลุแล้วก็ไม่มีทางลองรู้แล้วว่าอะไรเป็นสมัมมาปฏิปทาหิจอาปฏิปทานี่เป็นข้อที่จริงที่เรามาถาม พอเราถามเข า, มาเขาบอกเออไม่ใช่น อ, อไปยูนเล่นยังไงเขาคือที่ว่าเป็นศีลและทศเนี่ยเขาถือเอาตรงนี้นะแล้วจะทําอะไรเชื่ออะไรก็แล้วแต่ปฏิบัติเังก็แล้วที่สําคัญว่าเป็นศีลและเป็นครศที่นําไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดแต่กิเลสได้แค่นี้นะถึงถือว่าเป็นสําคัญว่าเป็นทางไปสู่กรารบรรลุพระพร ถ้าเราไปรูปรวมคมกอ็อยากรู้แลอวระดับความรู้อะไรก็วไหนดีนะจไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใชอ่าถ้าอย่างนั้นขก้นอยากจะให้มีอยากจะให้เป็นไปได้แต่ว่าไม่ได้นะมะไม่ได้นั่นแหละเป็นอย่างนั้นเป็นเป็นสิลักษอ่า ปากซื้อฮาใช่ขนาดคนบางคนก็ถือไม่อาบน้ำนะฮะมาสำนักมีทีที่านมาเรียนวาชาธรรมที่หลังท่โดก็เคยล่าว่าท่านเคยบวชและได้เลื่อนไปสันักหนึ่งโดยถือผู้ ด, ดมไม่อาบน้ำและจะบรลุเป็นห้าอย่างนี้เป็น ในบรนรลุได้เรามนุษย์ยังั้นเป็นแต่ว่าถ้าถ้าอย่างนั้นไม่เป็นหรือถ้ า, ถาตรวจษาขยายไปเพื่อเจ้าตัวเองไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไร<น>ะบอกบอก็อบอกแต่เพียงว่านี่เป็นทางบรรลุแต่รู้ว่าไม่ใช่บรรลุเพราะแค่นี้แต่สวดไปนเนี่ยเพื่อขยับจิตใจให้สูงขึ้นเหมือนอย่างถ้าพระพุทธเจ้าจะตรงตังนนดบรรลุก่อนคุณพระเลยจินตบรนทงเดินหน้า อยากจะบรรลุไม่ล่ะถ้าบรรลุแล้วเอาเอาผ้าในขยี้นะแล้วจ ะ, จะบรรลุถ้าทรงตรัสให้ขยี้ผ่าแล้วถ้าจึงถ้าเอาผ้าบรยลุตอนรับผ้าบรรลุขยี้ผ่าจะบรรลุแล้วก็นั่งขยี้ไปแต่คู่ประทานเนี่ยทรงรู้ว่าไม่ใช่บรรลุเขาขยี่ผ่าแต่บรรลุแต่เมื่อขยี้แล้วจิตใจจะค่อยๆแล่นไปเรื่อนช้าปไปเพื่อบรรลุออย่างนี้ไม่ถือแต่ว่าท่านหมายว่าอันนั้นสุดยอดแล้วไม่ไม่ต้องอย่างอื่นแล้ว เพีเท่านั้นแค่นั้นเป็นอันรู้ได้อย่างนี้เราไปเราก็เลยไปดูขอ้อติขอ้อติเราถามว่าพระโพนิสัต์ได้กระทําความเพียนอย่างอื่นได้นับถือศ า, าสนาอื่นหรือคําว่าทาความเพียนอย่างอื่นนี้ก็แยกไปจากภุกรักศริยางนะครับเราจะเห็นว่าพระิกทธเจ้านั้น ได้ทรงถือศาสดาอื่นความเพียนอื่นมาก่อนใช่ไหม อ, อย่างถือศาสดาอื่น